ตอนที่หกท่านไปเสียเถิดนางเพิ่งตื่นขึ้นมาใบหน้าเล็กในกระจกยังคงมีความซี่เซียวจากอาการป่วยอยู่สองส่วนเย่เยากัดฟันแน่นนางถือม้วนภาพวาดตรงไปยังห้องหนังสือโดยไม่เคาประตูแต่กลับผลักเข้าไปในทันทีสองพ่อลูกเย่ยหูเสียสะดุ้งตกใจเย่เยาเจ้าตื่นแล้วหรือร่างกายดีขึ้นแล้วหรือยังเย่เยาไม่พูดพร่ำทาเพลงนางคลี่ม้วนภาพทั้งสองแผ่นออก ท่านพ่อพี่ใหญ่รีบเพิ่มการคุ้มกันในจวนเดี๋ยวนี้เจ้าขนีคือสายลับที่ตันตีส่งมาส่วนบัณฑิตผู้นี้คือรูปลักษณ์หลังจากที่มันปลอมแปลงใบหน้าแล้วสีหน้าของสองพ่อลูกเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงพวกเขาหยิบภาพวาดขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดด้วยความชงมนเจ้าพบได้อย่างไรและเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคนผู้นี้เป็นสายลับของตันตีเยี่ยยานางน้ำท่วมปากตอบคำถามนี้ไม่ได้ เดิมทีขอเพียงชูชื่อมาสู่ข อ, อก่อนก็จะไม่มีราชองค์การพระราชทานสมรสและจะไม่ถูกสายลับจับตามองจนถูกลักพาตัวไปจนทําให้คนทั้งครอบครัวต้องพลอยเดือดร้อนแต่ทว่าขั้นตอนที่สําคัญที่สุดกับถูกตัวหายนะอย่างหลิงเซินทําลายจนย่อหยับตอนนี้ราชองค์การพระราชทานสมรส ถ, ถูกประกาศออกมาแล้วนางไม่อาจทนดูทุกอย่างเกิดขึ้นซ้ารอยเหมือนชาติก่อนได้ต้องรีบป้องกันไว้ก่อน เมื่อคิดว่าพวกเขาจะต้องมาเดือดร้อนเพราะนางจะต้องกลายเป็นคนบาปที่สมคบคิดกับศัตรูขายชาติขอบตาของเย่ยาวก็เริ่มแดงก่ําและสะอื้นออกมาเมื่อครูเย่ยาวฝันเจ้าข้าฝันว่าถูกสายและผู้นี้จับตัวไปและบังคับให้ข้าบอกความเคลื่อนไหวของท่านพ่อและพี่ใหญ่สองพ่อลูกชะงักไปครู่หนึ่งเย่ยหัววางภาพวาดลงแล้วดึงนางเข้าไปกอดในอ้อมแขนเบาๆพรางรูปสีสนางเพื่อปลอบโยนโดยไม่พูดอะไรเย่ยหูเสียมองนางด้วยความสงสารจับใจ คงเป็นเพราะวันนี้เจ้าถูกซื้อจึงทาให้ตกใจกลัวเป็นแน่อย่ากลัวไปเลยท่านพ่อกับพี่ใหญ่ของเจ้ายังอยู่ที่นี่น้องหญิงวางใจเถิดพี่จะรีบส่งจดหมายไปที่หนิงโจให้พี่สะพายของเจ้ารีบกลับมาดูแลเจ้าให้เร็วที่สุดไม่เจ้าคะ่ะยี่เยาผลักพี่ชายออกและยินกรานฝันนี้เหมือนจริงมากข้าถึงขนาดวาดรูปร่างหน้าตาของสายรับออกมาได้ท่านพ่อพี่ใหญ่เชื่อไว้ก่อนย่อมดีกว่านะเจ้าคะ สองพ่อลูกมองหน้ากันเรื่องนี้มันจะลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นเชียวหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จเพื่อให้เย่่ยยาอาสบายใจสองพ่อลูกจึงตอบตกลงในที่สุดเมื่อสิ้นคำสั่งโจรกัวกลมก็ถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาแม้แต่ยุงสักตัวก็ยังบินเข้าไปไม่ได้เยี่ยยเพิ่งจะเบาใจลงได้ไม่นานพ่อบ้านก็เดินเข้ามาในเรือนเพื่อรายงานว่าคุณชายชูชื้อขอพบคุณหนูเจ้าคะ่ะนางชะงักไปใช่แล้วนีนเมื่อชูชื้อรับปากนางแล้วเหตุใดเขาถึงเพิ่งมาเอาป่านี้ เมื่อมาถึงถงหน้าและได้เห็นชูชือเยี่ยยเยาก็ต้องตกใจเขามีสภาพเปียกโชกไปทั้งตัวมวยผมหลุดลุ้ยเสื้อผ้ายังมีน้ําหยดติ่งติดูอนเนจอนาทยิ่งนักนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะชูชือยกมือทั้งสองข้างขึ้นใบหน้าตึงเครียดเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเยี่ยยยาอย่างเคร่งครึมชูชือทํางานพลาดไม่คู่ควรกับที่เจ้าฝากฝังเมื่อคิดดูแล้วเรื่องราชองค์การพระราชทานสมรสคงเรื่องลือไปทั่วเมืองแล้วชูชื้อเองก็ย่อมต้องรู้ เย่ยยรู้สึกสับสนในใจนางกล้าไปข้างหน้าเพื่อพยุงเขาขึ้นเหตุใดท่านถึงเพิ่งมาตอนนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นชูชื้อก็ค่อยๆก้มหน้าลงและถอนหายใจยาวเดิมทีช่วงทิ้งค่าเตรียมของมั่นหมายจะมาสู่ขอแล้วแต่บนถนนมีการแจกทานโจทําให้ถูกผู้อพยพ ป, ปิดกั้นทางไว้รถมาจึงผ่านไปไม่ได้อีกทั้งหลงจู่ยังส่งข่าวมาว่าเรือสินค้าที่ท่าเรือซึ่งกําลังจะกลับเจียงหนานเกิดน้ํารั่วเข้าเรือในเรือลํานั้นล้วนเป็นผ้าไหมชั้นเลิศที่มีค่าควรเมืองทั้งสิน้น เยี่ยเยเาเข้าใจแล้วท่านจึงไปกู้สินค้าจนมีสภาพอเนกอนาถเช่นนี้เลยมาสายอย่างนั้นหรือเจ้าคะชูชื้อหลับตาลงเป็นการยอมรับด้วยความรู้สึกผิดโชคดีที่สินค้าไม่เสียหายมากนะักแต่พอข้าขึ้นฝั่งมาก็ได้ยินว่าฝ่าบาททรมีราชาองค์การพระราชาทธานสมรสลงมาแล้วเป็นไปตามพี่นางคาดวเ้เยี่ยยหลับตาลงอย่างจนใจ นางยอมลดตัวลงไปขอร้องให้ชูชื้อมาสู่ขอแต่งงานกับนางก็เพื่อหลีกเลี่ยงการพระราชทานสมรสแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามชูชือ้อก็เป็นฝ่ายผิดคําสัญญาไปแล้วเป็นค่าที่ทําให้เยาเยาผิดหวังแต่เรื่องนี้ไม่มีทางแก้ไขได้แล้วจริงๆหรือชูชื้อกุมไหล่ทั้งสองข้างของเย่เ ย, ยไว้แน่นเยาเยาขอเพียงเจ้าพยักหน้าข้าสามารถพาเจ้าหนีออกจากเมืองหลวงได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสุดขอบฟ้าหรือที่ใดข้าจะดูแลเจ้าอย่างดี หัวใจของเย่ยาวสั่นไหวอย่างรุนแรงเพื่อนางแล้วชูชื้อถึงกับยอมขัดราชองการเชียวหรือเย่ยาวไม่ได้โงน่นี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆทั่วไปอย่างที่นางคิดเสียแล้วแต่นางเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากเขาเท่านั้นไม่ได้มีความรู้สึกรักใคร่ให้เลยแม้แต่น้อยยิ่งเขาจริงใจมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นเท่านั้นจะปล่อยให้เขาถล่มลึกลงไปมากกว่านี้ไม่ได้เย่ยาวสายหน้านี่คือการขัดราชองการท่านไม่กลัวแล้วตระกูลฉูเล่าเจ้าคะ ชูชือ้อหากวันนี้ข้าหนีไปกับท่านแล้วคนในจวนกัวกงจะทำอย่างไรเขาขมวดคิ้วฝาบาทไม่ใช่ทรราชอีกทั้งจวนกัวกงยังเป็นขุนนางสาคัญของแผ่นดินฝ่าบาทอาจจะไม่เอาความอาจจะหรือเจ้าคะเย่ยี่ยมองเขาท่านจะให้ข้าฝากชีวิตคนกว่าร้อยชีวิตในจวนไว้กับความบังเอิญอย่างนั้นหรือชูชื้อตกอยู่ในความเงียบเงันอีกครั้ง เยี่ยยอค่อยๆผลักมือของเขาออกและเบือนหน้านี้ท่านไปเสียเถอะเยี่ยย่อพวกเราลองคิดดูใหม่เธอบางทีอาจจะยังมีหนทางไม่มีหนทางแล้วยเยียวจิกเล็บลงบนฝ่ามืออย่างเงียบเชียบคุณชายชูระหว่างข้ากับท่านไม่ได้พบกันมาสิบปีเดิมทีก็ไม่ได้มีความผูกพันกันมากมายนะักข้าก็แค่หลอกใช้ท่านตอนนี้ท่านไม่มีค่าอะไรสําหรับข้าอีกแล้วท่านไปเสียเถอะชู่ชืช้อตัวแข็งทื่อไปทั้งร่าง ยังจําได้ว่าเมื่อวานนางยังเรียกเขาว่าพี่ฉูชื้อด้วยน้าเสียงอ่อนโยนทว่ายามนี้กลับกลายเป็นคุณชายฉูที่เย็นชาเขาไม่เชื่อเยาเยาเจ้าไม่ใช่คนเช่นนี้ทําไมจะไม่ใช่เล่าเยี่ยวยอาเอ่ยขัดเขาท่านเองก็รู้ดีแก่ใจตระกูลชูเป็นเพียงสามัญชนพ่อค้าส่วนข่าคือบุตรสาวเอกของโจนกัวกงเป็นสตรีผู้สูงสัก์อันดับหนึ่งในเมืองหลวงเพียงพ่อค้าต่ําต้อยท่านคู่ควรกับข่าที่ตรงไหน ในเมื่อหมดผลประโยชน์แล้วท่านก็เป็นเพียงหมากที่ไร้ค่าตัวหนึ่งใสหัวไปให้พ้นเสียชั่วพริบตา น, นั้นเยี่ ย, ย, ยวยาคล้ายจะมองเห็นหัวใจของเขาแต่สลายผ่านดวงตาคู่นั้นเจ็บก็เจ็บอยู่บ้างแต่เจ็บสั้นดีกว่าเจ็บยาวสู้จบลงเสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะถลำลึกไปมากกว่านี้จะดีกว่าเยียยาสะบัดแขนเสื้อแล้วหันหลังเดินจากไปเจียนเจียไปลูส่งแขกชูชือมองตามนางใบหน้าอันสง่างามขาวซีดรากับฮิมะ เงาร่างที่เขาจดจํามาสิบปีเดินจากไปอย่างไร้เยื่อใยไม่ใช่สิ่งที่เขาจะรั้งกลับมาได้อีกแล้วน้ําบนอภรย์ยังคงหยดลงมาในความพร่าเลือนนั้นเขายิ่งดูอเนกอนาถนักหัวใจในทรงอกหนาวเหน็บยิ่งกว่าตอนจมอยู่ในแม่น้ําเสียอีกเจียนเจียและไปลู่จาต้องกล้าไปข้างหน้าอย่างลำบากใจคุณชายฉู่เชิญเจ้าคะ่ะเขาได้แต่ยืนนิ่งดวงตามหม่นแสงจ้องมองไปยังทิศทางที่เย่เยาเดินจากไปไม่วางตาครู่ต่อมา ในที่สุดเขาก็จากไปพร้อมกับความโศกเศร้าอาดูลเจียนเจียและไปรลู่ต่างพากันถอนหายใจด้วยความเวทนาคุณชายตระกูลฝ่ายแม่เป็นคนดีถึงเพียงนี้นั่นสิคุณหนูช่างใจดำนักยี่เยวเองก็แอบมองแผ่นหลังอันอ้างว้างของเขาที่เดินไกลออกไปจากในห้องพลางเอ่ยขอโทษในใจอย่างเงียบเงียบนางเป็นคนลงมือตัดรอนวาสนารักที่เพิ่งเริ่มผลิใบของเขาด้วยตัวเอง ในเมื่อขัดขวางราชองค์การพระราชทานสมรสไม่ได้อนาคตของนางยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่หากทําไม่ได้มีใช่ว่าจะทําให้เขาและตระกูลชู่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยหรือชูชื้อเป็นบุรุษที่ฝากฝังชีวิตไว้ได้หน้าเสียดายที่พวกเขามีวาสนาตรรชะตาเยี่ยเยากระหมัดแน่นสิ่งที่ควรคิดในตอนนี้คือจะหาตัวซิสึกผู้นั้นได้อย่างไรนี่ต่างหากคือภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงที่สุดของนางของจนกัวกงและของราชวงศ์นี้ ในชาติก่อนเย่ยยาวถูกลักพาตัวไปยังวัดร้างบัณฑิตผู้นั้นคาดค้นถามถึงความเคลื่อนไหวของสิ้นอองรวมถึงบิดาและพี่ชายของนางนางจึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายคือเส้ศึกนางไม่ยอมปริปากจึงถูกตีจนสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาถึงได้รู้ว่าในช่วงที่นางถูกจับตัวไปนั้นสิ้นอองได้นําทัพมุ่งหน้าสู่สนามรบแต่เพราะความลับทางทหารร่วไหลทันทีที่ออกจากเมืองหลวงจึงถูกซุ่มโจมตีจนสิ้นชีพ